อ่ฟังธรรมกันการฟังธรรมคือฟังเรื่องของตัวเองเรื่องของเรามันมีอย่างไรมีอยู่ในธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกมีสามปิฎกเรีย ว, ว่าตากาใส่เอาไว้ ส, สูตรพระเวไนยพระอภิธรรมเป็นเรื่องของชีวิตเรา การศึกษาชีวิตเราเนี่ยท่านเรียกว่าไตรศิกขาไตรศิกขาเนี่ยมันไม่เหมือนกับการศึกษาของทางโลกทางโลกก็มีศาสตร์มีสูตรสาเร็จจะต้องเรียนตามสูตรสาเร็จใครเรียนจบก็จําเอาจาได้เก่งไปทำพอมีผู้ตรวจมีการผิดการถูก มีบุคคลอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องผิดถูกบางทีอาจจะไม่เป็นธรรมคนทําดีก็จะเป็นความผิดคนทําชั่วอาจจะเป็นความถูกเพราะเกี่ยวข้องกับคนอื่นสิ่งอื่นเหตุผล ต, ต่างๆต่างๆแล้วก็จึงเกิดการขอรับชันทะเลาะวิวาทอะไรไปได้ไม่จบไปสิน้น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 เห็นความโกรธเห็นแล้วเห็นความไม่โกรธก็เห็นแล้วทำเป็นแล้วทำได้แล้วเห็นจนเป็นศีลเป็นสมาธิตัวใจสิกขาคือศีลเป็นศีลพึงได้แล้วเพึงกายเพึงใจได้แล้วกายมีศีลจิตใจมีศีลเป็นอนิสงส์ของการมีศีลสีเลนสุขตินติโอ้มีศีลเนี่ก็มีความสุขจริงจิงเนาะ บริสุทธิ์ผุดผ่องไม่เสดดุ้งไม่บาดผวาไม่งีนน้ยงแข็งขดแควนโอ้สินไปจงนี่นอมันคงแล้วนาะเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบไม่สะเทือนเพราะลมโู้มีศีลไม่สะเทือนเพราะเนินทาสันลเสริญโอ้ในี่ยสินไปจะ น, นี่นอเนี่เราสินหาได้ในตัวชีวิตเรา อางทีถ้าไม่มีศีลก็วันไว้ลนะนันไว้งอนแน่นก็แทนเหมือนเสาหลักปราขี่โครน เ, นเป็นสมาธิมั่นคงในกิจใจปัญญารอบรู้ในกองสังขารในกองรูปกองงามในกองชีวิตจิตใจของเราปัญญาที่รอบรู้หมดรู้หมดจริงๆรงู้ครบลูดท่วนในกายในใจเป็นรูปเป็นนาม อย่างไรอาการอย่างไรที่เกิดอยู่บนกองลูกกองน้ำเป็นแจ้งลู่จริงในที่สุดจบเป็นมันกันนี่เป็นพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของชีวิตจิตใจของเราถ้าไม่จบสุดนี่อันอื่นก็ถือว่าไปจบคนที่เรียนจบสงๆงยังไม่ทุกยังไม่ปัญหาในกายในใจของตน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 เป็นตำรวจทหารสร้างคุกสร้งางตารางลงไปเยอะแยะไปหมดเลยพอปัญหาเกิดที่กายที่ใจของคนคนหนึง่งอย่างคนคนเดียวเกิดมีความเห็นผิดมีมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นพวกเราก็เดือดร้อนจึงมีตำรวจมาจับมีคุกมีตารางจับไปคนทุสีลผิดศีล เราอยู่กัหมู่ไม่ได้เพราะเบีเยดเบียนคนอื่นจึงจับไปเก็บคุมกลมขังแต่ศีลนี่มันจึงโอ้ดีไม่ไม่มีปัญหาเราจงมาศึกษากันให้มันค้นพบของจริงในชีวิตจิตใจของเราจงมาลูยจักตัวเองคำนี่หมายว่าค้นพบเจ้าได้ในตัวท่าน หานอกตัวทำไมให้ป่วยการดอกบัวบาดอยู่ในเราอยากเข้าไปในดอกบัวมีมณนีที่เอกุดเพื่อมนุษย์ค้นหามาให้ได้การตรัสรู้หรือรู้สิ่งใดๆรว้มาจากความรู้ตัวสูงเองเนี่ยอาจารย์พุทธทาสประพันธ์เอาไว้เรื่องชีวิตของเราเราจึงมาดูมามีสติเป็นนักศึกษา เอากายเอาใจเป็นตำร า, าดูสร้างภาวะที่รู้ที่ลู่แต่มันเป็นคู่กับกายเป็นคู่กับใจอย่างนี้ไปดูอืนอื่นตาในมันมองกลับตาเนื้อมันมองไปข้างหน้าตาข้างหลังมันไม่เห็นตาเนื้อมองไปแต่ข้างหน้าอย่างเดียวก็จะมองไปข้างหลังตรงหันหลังกลับแต่ตาในคือสติสมัชัญญะ ลู่โลกมาทางไหนลู่มันเป็นดวงตาตาทิพตสร้างขึ้นมาสร้างภาวะที่ลู่ที่ขึ้นมาอย่าไปคิดไป น, นึกเอาเหตุเอาผลการสร้างตัวลู่ไม่เอาเหตุเอาผลเอาสมองไม่ใช่ไอยคิดปัญญาดีขนาดไหนก็ไม่ใช่มันต้องเป็นกรรมต้องเป็นการกระทำ ไม่ใช่สมองคนนั่นสมองดีปัญญาดีจำเจงไม่ใช่แล้วไม่ใช่เลยต้องเป็นการกระทําไม่กัมคือการกระทําอิยาที่กระทํำก็ต้องมีเห็นเจริญสติต้องมีนิมิตที่เกาะเกาะไว้ตรงไหนเกาะไว้ที่ลมหายใจเข้าออกรู้สึกลมหายใจเข้าหายใจออกอเกาะไว้ที่กายเคลื่อนไหวไปมาเกาะไว้ที่กับการเดินจงกรมนั่น อของเก่ง่าศึกษาสิ่งที่เรามาดูมันก็มีอยู่จริงๆริงในกายในเมือมก็มีจริงๆเคลื่อนไหวไปมาให้รู้อยู่ให้ดูอยู่เห็นอย่างเดียวบางทีดูกายอย่างเดียวมันก็ไปเห็นกิตเห็นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยมันโผล่ออกมาแสงหน้าแชงหลังดูกายอย่างเดียวอ้าวความปวดความมื่อยความขี้เกียจชี้คลานความไม่า อะไรง่วงเหงาหอนสารพัดอย่า ง, านนางบาเทีก็คิดไปต่างๆนันะเรนะา จ, จะดูกายจะเดี๋ยวออกมนหลุดไปแล้วคิดไปถึงไหนถึงไหนอา้าวก็กลับขึ้นมากลับมาตั้งไว้กลับมาตั้งไว้การสอนตัวเองเวลาอะไรที่มันคิดไปตางอื่นที่เราไม่ได้ตั้งใจก็ให้รู้จักกลับมากลับมากลับมาตั้งไว้ตรงนี้กลับมาตั้งไว้ตรงนี้ ดูกายอย่างเดียวได้สอนตัวเราหลายอย่างอส อ, าสอนกายสอนจิตนะเห็นเห็นแล้วเห็นอีกผิดแล้วผิดอีกอเสียงไหนมันผิดก็รู้สึกตัวเสียงไหนมันถูกก็รู้สึกตัวเสียงไหนมันทุกข์เกิดขึ้นก็รู้สึกตัวมันหลงนนก็รู้สึกตัวมันง่วงเมาเหานอนก็รู้สึกตัวเอาความรู้สึกตัวแหวกเข้าไปแหวกเข้าไปสอดลู่สอดเห็นเข้าไป มันก็เห็นจริงเหเห็นความหลงหน่อยโทษไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเห็นความทุกข์ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันก็เป็นปัญญาอยู่ตรงนั้นแหละปัญญามันเกิดได้อย่างนี้มันหลอกเราความคิดมันก็หลอกเราความสุขความทุกข์มันหลอกเราเราถูกหลอกบามากความสุขก็หลอกให้เราเป็นสุขความทุกข์ก็หลอกให้เราเป็นทุกข์ความหลงก็หลอกให้เราไปหลงความโกรธก็หลอกให้เราทาตามความโกรธ ความรักก็หลอกให้เราทําตามความหลักโอ้มันไม่จริงนเลนยพอมาเห็นเรารููสึกตัวรููสึกตัวไม่ถูกหลอกมันหลอกแล้วหลอกอีกคนที่ถูกหลอกก็ย่ต้องมีปัญญาก็ต้องมีปัญญาแน่นอนมันไม่ต้องไปทําใคลการศึกษาชีวิตของเราไม่มีคําถามไม่แต่การพบเห็นพบเห็นเห็นแล้วมันฉลาดเห็นความหลงก็ฉลาด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 มันเกิดขึ้นมาเรียกว่าสันตติสันตติมันเกิดต่อเกิดต่อวันก็ไหไปมันไม่มีปัจจุบันมันไปข้างหน้ามันคืนข้างหลังโดยพอชีวิตจิตใจของเรานะมันคิดไปข้างหน้าบางมันคิดคืนข้างหลังบางมันเหตตามันก็จึงไปหัวก็ดึงไปจมูกก็ดึงไปเล่นก็ดึงไปจิตใจมันก็ดึงไปมันไม่มีหลัก บบนี่ถึงมาเกาะให้มันหลับให้มันปัจจุบันปัจจุบันนี่คือการเคลื่อนไหวไปมาลู่สึกตัวเมื่อมันไปทางอื่นก็กลับมามาม า, มาตั้งไว้มันไปเท่าไหร่ก็กลับมาการกลับมาบ่อยๆการกลับมาบ่อยๆน่ยมันเป็นการศึกษานะตรงนี้เป็นการศึกษาการศึกษานี่ยไตศึกษาคือทัลงตรงนี้ไม่ใช่ไปคิด มันคิดไปมันหลงไปมันทุกข์มันโศกที่ไม่ใช่ความรู้เราสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยสิ่งที่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวไปทางอื่นก็กลับมามาลูสึกตัวมาลูศึกตัวอยู่กับกายมาลูสึกตัวอยู่กับกายเนี่ยเรียกว่าศึกษาไตรสิกขาสิกขาคือถลุงแล้วหมดไปแล้วความคิดที่มันคิดไปหมดไปแล้วมามีความรู้สึกตัวแล้ว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 มันทุกข์ก็ไปทุกข์ไปไม่ใช่แล้วมันหลงก็หลงไปมันรักก็รักไปมันรอดมันหนาวมันหิวมันปวดมันเมื่อยมันอย่าให้มันไปทางนั้นกลับมาลูสึกตัวกลับมาลูสึกตัวเมื่อลูสึกตัวแล้วบางทีมันไม่ต้องไปแก้มันแก่อยู่ในตัวมันเฉลยอยู่ในตัวมันเฉลยอยู่ในตัวบางทีไม่ต้องไปแก่เช่ความโกรธไปแก้ความโกรธ ไปทำอะไรแก้ความโกรธไปดาาไป่าเขาหรือไปฆ่าเขาหรือไปว่าเขาหรือไปโกรธเขาหรือมันไม่ใช่เขาโกรธมาก็โกรธตอบไม่ใช่มันโกรธก็รู้สึกตัวนั่นนะรู้สึกตัวซะกแต่มารู้สึกตัววิธีใดที่จะรู้สึกตัวมีรูปแบบยังไงหายใจเข้าหายใจออกพอทีมันโกรธหายใจเข้าหายใจออกสักสิบรอบ รู้สึกตัวรู้สึกตัวสักสิบลอกแม้มันไม่หมดมก็น้อยลงอ่อนลงแค่ความโกรธสักร้อยเเซถ้าหายใจเข้าหายใจออกสักสิบลอกความโกรธก็ลดจากน้อยถึงครึ่งหนึ่งหรือหมดไปเลยไม่ต้องได้ด่ากันละหรือเรายกมือสร้างจะงหเคลื่อนไหวไปมากระเด็กนิ้วเล่นเล่นอยูอ่รู้สึกตัวรู้สึกตัวกันเนี่ยไม่ต้องไปไปยุ่งกับมันความโกรธมาทํำความรู้สึกตัวซะ ความกรัวก็หมดไปอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเอาความรู้สึกตัวตั้งไว้ตั้งไวนะ้เนเป็นบังเกอร์หรือเป็นการหลบเป็นกระ ด, ดองเป็นทีพึ่งเป็นหลักเหมือนพระพุทธเจา้าสอนเหล่ า, า, าพระสาวกทั้งหลายปิสู่ทั้งหลายพวกเธอเห็นเต่าไหม มันหายกินอยู่ตามริมแม่น้ำคงคารพระพุทธเจ้าอาจจะพาพระสงฆ์ไปบิ็นธบาตสุนักป่าหม้าป่ามาเห็นเต่าคิดว่าจะกินเต่าแต่ว่าเต่ามันก็หดตวยายะมันเข้ากระดองม้าป่าก็กินมันไม่ได้ฉันใดก็ดีภิกษุทั้งหลายเธอจงมีกระดองเป็นเี่อยู่กระดองคืออะไรคือกรรมฐานในสติสัมปชัญญะ อะไรเกิดขึ้นกับรู้สึกตัวการรู้สึกตัวเรียกว่าหมดอวัยวะเข้าในกระ ด, ดองถ้ารู้สึกตัวเรียกว่ามีกระ ด, ดองมีที่อาศัยแล้วความหลงก็ทำให้เกิดอะไรไม่ได้ความโทษขความโกรธความรักความทังไม่ได้รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวคือคือของจริงเป็นสมบัติของกายความรู้สึกตัวคือของจริงเป็นสมบัติของจิต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 มันก็พัดถิน่นพัดบ้านไปแล้วคนหลงคือคนพัดบ้านคนโกรธคือคนพัดบ้านคนทุกข์คือคนพัดบ้านนะแต่คนมีสติคนมีบ้านมีหลักมีแหล่งมีวิหารละธรรมเป็นที่อยู่กุ่นอกกุ่นใจไม่งอนแง่นคอนแพร์เมื่อเราฝึกอย่างนี้หัดอย่างนี้เราก็พึ่งเราได้คนอื่นก็พึ่งเราได้ ถ้าเราไม่หัดตรงนี้ก็อา้าวเพื่อนรวมงานกันทะเลาะกันได้ต่างคนต่างไม่มีหลักไปลอยอยู่พอลอยก็ไม่มีหลักเหมือนไม่มีทางเดินของชีวิตทางเดินไม่เป็นระเบียบก็ชนกันความคิดชนกันตาก็ชนกันคำพูดก็ชนกันอะไรมันต้องมีทางเนี่ยเขา นักบินที่บินเครื่องขับเครื่องบินเขาก็มีทางของเขาบางคนก็บินสูงบางคนก็บินต่ำบางคนก็ไปทางหนึ่งบางคนก็ไปทางนั่งเขามีทางแม้เป็นอากาศเขาก็ต้องมีทางถ้าไม่มีทางก็ชนกันได้พระเจ้าเทธรรมเทศนาของพระเจ้านะจึงพูดเรื่องทางทำทางให้กับชีวิตของเราชีวิตของเรามันมีทางเดิน ถ้าวิตกกองวลเ่อหมองเลยว่าไม่มีทางเดินไม่เรียบหูขับทุลักทุเลเอาลรเข้าพงโกรธโลภลงมวิตกกองวนเศรหมองหรือว่าชีวิตไม่มีทางชีวิตที่มีทางมันไม่เป็นไรแม่มันเห็นมันก็เรียบทำให้เรียบได้มันลงมขอรู้สึกตัวทำให้ชีวิตเรียบแล้วมันทุกข์ขอรู้สึกตัวเรียบแล้วมันโกรธขอรู้สึกตัวเลยว่าเรียบแล้ว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 ทำให้เรียบเรียบทำให้เรียบเรียบหลวงพ่อไปเทศน์อบรมคณ ะ, ะแพทย์ทันตแพทย์นักศึกษาทันตแพทย์ปีสองปีสาปีสี่ไปพูดอยู่สามวันกับอาจารย์ทรงศิลปหลวงพ่อบอกว่ า, วาชีวิตเราต้องปูพรมปูพรมให้กับชีวิตอย่าให้ขรุขระ คือเจริญสตินี่แหละความรู้สึกตัวมันปูพรมให้ชีวิตที่เดินไปเมืมีความรู้สึกตัวก็ไม่เมตตากรุณาไม่ศีลมีสมาธิไมีปัญญาเรียกว่าปูพรมไม่กระทบกระเทือนไม่มีขอบเขตแต่ยังเลือกที่ลักักทีชงังทะเลาะคนนั่นเป็นเพื่อนเราคนได้ไหม่เป็นเพื่อนเราเรียว่าไม่มีไม่ปูพรมไม่เรียบ พระพุทธเจ้าหรือว่าศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน่ะต่อจากนี้ไปเป็นศาสนาพระสีอาลีเมตไตศาสนาพระสีอาลีเมตไตมันก็กล่าวว่าแผ่นดินลาบมะนากรองใจหน้ากร อ, องมันเรียบมันไม่เป็นแผ่นดินมันหมายถึงกิจใจของเราที่เราอาศัยศาสนาของสมณะโคโดมมาฝึกขัดมาปฏิบัติวิชากรรมาฐาน มีทุกคนมีศีลมีธรมก็เรียบนะอย่างพวกเรามาสร้างเนี่ยทําให้เรียบเดี๋ยวนี้ก็ได้แต่ถ้าทุกคนนั่งอยู่นี่ยี่สิบสามสิบคนนะมีสติกันทุกคนทุกคนมีสติมันก็เรียบแล้วต่างคนต่างดูแลตัวเราอยู่คิดอะไรก็รู้อยู่นี่แหละแก้อยู่นี่แหละรู้อยู่นี่แหละมันคิดขึ้นมาก็รู้อยู่นี่แหละก็อันเดียวกันเรียบแล้ว เราทุกคนมีแต่ความหลงก็ไม่เรียบแล้วไม่เป็นหนึ่งแล้วไม่เรียบขู่ขาแล้วบางคนก็ชิดแล้วคนนัอนบางคนก็ชิดโกรธคนนัอนพอใจกับเสียงนั่นไม่พอใจกับเสียงนั่นแม้แต่เสียงหลงตาพูดก็อาจจะไม่ชอบเสียงโสดมนก็ไม่ชอบอ่าทําวัดนั่งก็ไม่ชอบทําไมจึงนั่งอย่างนี้ทําไมจึงยก ม, มืออย่างนี้ทําไมจึงอย่างโน้นอย่างนี้สารพัดอย่างมันหาสิ่งต่างๆมาอ้างมาหาเหตุหาผลมันก็ไม่เป็นหนึ่ง ไม่เป็นหนอะไรก็ตามสิ่งที่ทําให้เป็นหนึ่งมันมีอยู่ธรรมเวไนยคือข้อวัดปฏิบัติเหมือนพระพุทธเจ้าว่าตัดไว้ในธรรมวินยมันสีได้ร้อยดอกไม้ดอกไม้เนี่ยจะเป็นต่างสีต่างรู ป, ปลักษณะแปลกต่างกันไปแต่ว่าเมื่อเข้ามาอยู่ในเส้นได้ที่ลอยลงไปแล้ว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 ถ้าเขาไม่หลงเขาไม่โกรธนะคนที่หลงเนี่ยเป็นคนที่น่าให้อภัยกลายเป็นความเมตตาสงสารตั้งแต่เขาหลงเน่ะเขาก็โกรธเขาก็ทุกข์อยู่แล้วเราก็ไม่กล้าใจไปโกรธตอบเขาเราลู่สึกตัวเราลู่สึกตัวเนีเป็นคนที่น่าให้อภั ย, ยนคนที่หลงเนี่ย เ, เ, เ, เ, เ, นะเป็นคนที่น่าให้อภั ย, เ ป, นนภยเป็นคนที่ควรช่วยเหลือ ถ้าคนมีสติมองคนละมุมกันไปถ้วคนไม่มีสติเขาก็มองเขาโกรธเขาตอบเขาด่าเขาตอ บ, อออตอบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยคนที่โกรธมันเป็นคนที่หลงแล้วเป็นคนที่ทุกข์แล้วน่าสงสารหน้าตาก็ไม่ดีอ่าอก็รู้จักหลบรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหานหาวิธีช่วยไปเอาเหตุเอาผลกับคนโกรธ พะเลอะกันพูดคำสองคำคนหนึ่งได้สองคำสามคำคนโกรธคนที่โกรธที่หลงเนี่ยเอาเหตุเอาผลไปให้มันไม่เอารกเหมือนเขาอยู่ในภูมิหนึ่งอยู่ในภูมิที่ต่ําเช่นพวกเปรตพวกสัตว์นรกนะจะเอาอาหารดีๆไปให้เขาเขาเขาเอาไม่ได้เขาเสวยกรรมของเขา จึงโกรธไปได้ต้องให้เขาขึ้นมาเสียก่อนเราไปพูดกับคนโกรธทะเลาะกันเน่ยแสดงว่ามันไม่ เ, เรื่องคนลัภูมิกันต่อเมื่อใดที่เขาพ้นจากกรรมแล้วเขาก็รู้เราก็ค่อยขี้แจงเหตุผลอะไรต่างๆได้เลยไม่ต้องทะเลาะกันอก็หลบเป็นหลีกเบ็ดเราหลีกเราหลบไม่โต้ไม่ตอบก็เป็นการแช่ปัญหาไปนในตัว ถ้เาเขาโกรธเราข้างเท่งเราไม่ว่าอะไรเขาเอาก็ยังดีเขาเขาเ ข, ขาโกรธแล้วโกรธอีกเขาก็ไม่ว่าอะไรเขาดีไปเอาไปมาเขาก็กลายเป็นคนดีอย่างสามีภรรยาทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาพอภรรยามาปฏิบัติธรรมนะมาจากอำเภอแวงใหญ่เขามาพูดให้หลวงพอ่อฟังโอ้ได้ผลหลวงพ่อได้ผลโอ้ภรรยามาผู้เมียมาปฏิบัติธรรมใจดีกลับไปบ้านใจเย็นก็ับไปบ้าน เอาไปมานะาีะยสามีเขาเห็นปัญญาต่างเขาโกรธที่ไรเขาไม่โกรธตอบเขาไม่โกรธตอบว่าอะไรเขาไม่โกรธตอบนิ่งเยี่มดีเสมออ ๆ, ๆสามีเป็นคนสุบุตรีเป็นคนชีปป้เนนล่เลูกแม้กระทั่งบุตรีเลิกกินเหล้ากลายเป็นคนดีด้วยกันมาพร้อมกันภรรยามาพร้อมกันกับสามีมาสารภาพได้ผลหลวงพ่อได้ผล พอก็พออกพอใจโดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมานั่งปฏิบัติธรรมก็ได้บางทีมันติดกันได้นะพัญญามาปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเย็นไปอยู่กับสามีสามีกลายเป็นคนเย็นไปด้วยเย็นแล้วไม่พอก็เย็นไปถึงลูกทั้งหลานไปอีกนะมันติดกันบุญเนี่ยบุญมันติดกันบาปก็ติดกันนะเราจึงสร้างตัวนี้เป็นหลักเอาไว้ เพราะชีวิตเรานะ่ะอยู่ในโลกไม่ใช่เราอยู่คนเดียวอยู่กับเพื่อนร่วมงานอยู่กับการกับงานอยู่กับแสงแดดอยู่กับละอองฝนอยู่กับเหลือบูมลิ่ดไหลอยู่กับทถนนโขขระหํามฝนอะไรต่างๆเยอะๆถ้าเรามีความรู้สึกตัวสิ่งทั้งร้ายทั้งหลายจะไม่มีปัญหาชีวิตเราเรียบไปเลยจนีนภาสาเรื่องไหนกันเวลาท่านเจ้าอาวาตื่นแต่ดึกสึกแต่นุ่ม ตื่นแต่ดึกศึกแต่หนมอย่ารอให้เท่าให้แก่มันจะไม่มีค่าเลยชีวิตเราต้องมาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจแล้วมันก็มีสูตรจริงๆกายเนี่ยกา ย, ยานุปัสสนามีสติเห็นกายนะทุกคนก็มีกายมีมือขาสองแขนสองถ้าคนทำเอามือวางไว้บนเขาการู้กันทุกคน ความรู้สึกตัวนี่ไม่ต้องไปถามว่าหนูลู่หรือเปล่าพบลู่หรือเปล่าฉันลู่หรือเปล่าไม่มีคําถามถ้าคุณหลงคุณก็ลู่เองแล้วคนรู้สึกตัวคมหลงของคุณมันก็หมดไปเองคุณก็ทําเป็นแล้วคุณก็สร้างเป็นแล้วลู่อีกลู่อีกลู่อีกถ้าคุณอยู่กับความรู้สึกตัวหนึ่งวันสองวันถ้าคุณอยู่กับความรู้สึกตัวหนึ่งวันสามวันสี่วันหนึ่งวันเจ็ดวันหนึ่งเดือนเจ็ดเดือน หนึ่งปีเจ็ดปีเกิดนในสงนอกเป็นพระอริยบุคคลได้ถึงกับเป็นพระรหันด์ได้เพราะว่าว่าพระรหัน์ก็คือผู้มีสติเป็นหน้ารอบไม่ใช่หอเหินเดินฟ้า <c oughs> ผู้มีสติเป็นหน้ารอบเหมือนพระเขียนาศกผู้มีสติเป็นวิ น, นัยพระเขียนาศกก็คือพระรหันด์นั่นแหละ มีสติเป็นหน้ารลกการจเจริญสติเท่านี้มันไม่ใช่เท่านี้นะมันไม่ใช่เท่านี้การจเจริญสติอย่างเดียวเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาอย่างที่พูดให้ฟังเรามีสติรู้หนึ่งวันรู้สึกตัวสองวันรู้สึกตัวรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่จิตใจกายานุปัสนาสติปัฏฐานมีสติอยู่กับกายมีสติอยู่กับกายเวลาใดมันหลงอ้ามันมีความรู้แล้ววะเนี่ย เห็นความหลงไม่ไม่มันไม่มันไม่ชอบทมความชอบทรมันไม่อยู่กับความรู้สึกตัวเขาก็เอาความรู้สึกตัวเข้าข้างความรู้สึกตัวบุคคลที่ฝึกตนเองที่เคยแล้วถ้าบุคคลที่ไม่เคยฝึกอะไรยื่นมาก็เอาหมดอยู่กับความหลงสองชั่วโมงสามชั่วโมงอยู่กับความทุกข์ข้ามวันข้ามคืน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 เขาล้มอาศัยล้มเงาบ้านเขาก็ไม่ได้เขาเออกก้อนอิดข่วงหนีไปเลยต้องไปนั่งอยู่บนฟุตบาทถนนเขาไม่มีบ้านชีวิตของเราเนะี่ยก็เหมือนกันบางคนเนี่ยไม่มีบ้านทางจิตบ้านของจิตคือปกติฝึกจนปกติในบ้านนะไม่ไปแล้วบ้าปกติเข้าบ้านเข้าบ้านลูกสึบตัวเนี่ยเป็นบ้าน หลงวลาอะไรก็พัดบ้านโกรธว่าอะไรก็พัดบ้าน่ะ เ, เข้าบ้านอันนี้นะเรียกว่าหลักเรียว่าที่พึ่งเราจึงว่าพุทธังสระนังกชามิธรรมังสระนังกชามิสังขังสระนังกชามิข้าพเจ้าพึ่งพระพุทธเจาธ้าพระธรรมสองข้าพเจ้าจึงพ้นจากทุกท่องปลวได้พุทธภาวะความเป็นพุทธะความเป็นพุทธะสิ่งที่ทําให้เกิดเป็นพุทธะก็คือความรู้สึกตัวในเอง พระเจ้าที่เป็นพระพุทธเจ้าก็เจริญสติสร้างสติเหมือนกับเราเอากายมาสร้างพระองค์จึงตัดไปอย่างมั่นคงว่าเอกะมคโควิสุทธิ์าสติปัฏฐานหมายเลขหนึ่งเป็นทางอันดับหนึ่งเอกเอกคือหนึ่งมคโหคือทางวิสุทธิ์าไปสู่ความบริสุทธิ์ของชีวิตจิตใจของเราการเจริญสตินั่น อย่าให้ขาดแขนพวกเราถ้าขาดแขนความรู้สึกตัวขาดแขนทําแล้วชีวิตจะไม่มีค่าอะไรเกิดโกรธจนตายทุกจนตายหลงจนตายไม่ค่าอะไรสําหรับพวกเราจะ ต, ต้องโกรธจนตายหรือจะต้องทุกจนตายจะต้องหลงจนตายแล้วมันมีมันมีประโยชน์อะไรความหลงมีประโยชน์อะไรความทุกมีประโยชน์อะไร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 เป็นปัจจัยมาทางนี้มาทางนี้ถ้าไม่สร้างเป็นไปไม่ได้คุณจะมาจําเอาไม่ได้ทําให้อุปการะมากสองอย่างหนึ่งสติความระลึกได้สองสมบัติชนะความรู้ตัวคุณจะจําเอาแบบนั้นแล้วไปต่อไปเขียนในข้อเขียนในกระดาษมันเป็นภาษานกแก้วนกขนทองมันไม่มีประโยชน์คุณต้องมาจุ่มเอาปฏิบัติคือจุ่มเอาเอากายไปจุ่มเอาไปต่อเอากับความรู้สึกตัว เอาใจไปต่อเอากับความรู้สึกตัวอะไรที่เป็นเรื่องอะไรก็ตามรู้สึกตัวไวหัดจนเป็นเนื้อใสเคยคินมันหลงเท่าไรก็รู้มันหลงเท่าไรก็รู้อะไรก็ตามรู้สึกตัวเออมันมีแล้วนะมันไม่เอาอันอื่นหรอกอันอื่นไม่เป็นธรรมเนาความรู้สึกตัวนี่แหละความรู้สึกตัวเหมือนมารดาพระพุทธเจ้าจังววาอุปการละอุปการละมาก เหมือนกับพ่อกับแม่เป็ น, นคนนุณธรรมคุณธรรมเนี่ยความรู้สึกตัวเหมือนพ่อเหมือนแม่อุปการและคุณพ่อแม่เลยก็ไม่มีแล้วนังยังยางลวงตานะไม่มีพ่อแล้วไม่มีแม่แล้วยิ่งกว่าพ่อกว่าแม่เคออยู่กับเราตลอดเวลาอยู่กับเราตลอดเวลาเหมือนกับรักษาเรา เอาไปามาทำรักษามันหลงไม่ได้มันลู่ศีลก็ช่วยสมาธิก็ช่วยปัญญาก็ช่วยเดี๋ยวนี้มีอะไรช่วยเราไหมใครช่วยคนอื่นช่วยเราเพื่อนช่วยเราพ่อแม่ช่วยเราพึ่งอะไรกันเอาชีวิตไปห้อยไปแขวนไว้ตรงไหนบางคนเอาชีวิตไปห้อยไปแขวนไว้กับความรัก ความรักก็เกิด อ, อกหักเสีย อ, อกเสียใจเกิดปัญหาต่างๆเต็มบ้านเต็มเมืองต้องพึ่งตนเองอย่าไปห้อยไปแขวนต้องพึ่งตนเองถ้าพึ่งตนเองได้แล้วคนอื่นก็พึ่งได้ถ้ช่วยคนเดงได้เป็นแล้วก็ช่วยคนอื่นเป็นถ้าดูแลตัวเองคุ้มไม่ปล่อยปาลาแล้วเลยไม่ปล่อยให้เป็น หมกหมุนคนคิดอะไรเป็นระเบียบแล้วก็คนอื่นก็เป็นระเบียบไปด้วยทําตัวเราอย่างเดียวทุกคนมาทําหน้าที่ของเรามามีสติมารู้สึกตัวปฏิบัติธรรมก็คือมาดูแลชีวิตของเราในละชีวิตของเราก็มีไม่มากมีกายกับใจแค่นี้นะแค่มีกายกับใ จ, แ, นะ แ, บใจ แ, ตแต่ว่าไม่ใช่วิธีดูแลก็คือมีสติ ไม่ใช่จะมาลูปเอาคำต่างหน้าทาแป้งดูแลรักษาลูบๆคำคำเล่เหลือกเล่อ ย, อยุงอันนั้นก็ไม่ใช่ใช่อยู่แต่ว่ามันไม่ใช่ต้องมามีสติลู้สึกตัวลูบสึกตัวเนะีคือการดูแลตัวเราลู้สึกตัวคือการดูแลเวลาใดที่มันลงไปทางอื่นลู้สึกตัวเนี่ยคือการดูแลปลอดภัยแล้วไม่มีภยัย ปฏิบัติรำมาดูแลตัวเองรักษาตัวเองอย่าให้มันเกิดโทษเกิดรอยมันลงก็รู้สึกตัวรักษาไว้แล้วมันโกรธก็รู้สึกตัวมันทุกข์ก็รู้สึกตัวเรียกว่ารักษาตัวเองคุ้มแล้วคุ้มแล้วปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วจนไม่มีภัยชีวิตไม่มีภัยอันเรียกว่าพระอริยเจ้าอริยคือผู้ไม่มีภัยอาลิแปลว่าคาดเสร็จ ยะแปลว่าไปจากข้าศึกไม่มีข้าศึกชีวิตที่ไม่มีข้าศึกจะอยู่กี่ปีกี่ปีก็ไม่มีข้าศึกถ้าเราไม่ศึกษามันจะมีแต่ข้าศึกบางคืนว่าฝันกลางวันว่าคิดเวลานอนก็หาเรื่องมาคิดนอนไม่รับข้าศึกของจิตใจมีเงินไมีทองไม่เข้าไม่ของไม่บ้านไม่ช่องก็ยังนอนไม่รับ บางทีเขาทําอำในทานลอกคนในหมากับเจ้าของบ้านหมานอนปับ๊บหลับปับ๊บเจ้าของบ้านนอนไม่หลับคิดไปโน่นคิดไปนีป่ปยะเขาทำในทานล่อคนเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยชีวิตเรามันก็เป็นโทษตัวเรามากมาทีเดียวกินไม่ได้นอนไม่หลับเศรษฐีเงิน มีเงินมทองเป็นโลกขาดอาหารก็ไหมเพราะมันมีปัญหลาล้วแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็ไม่ใช่ที่ไหนมันก็คือกายที่ใจของเราสุขสนตัวเองสุขสนเวลานอนหาเรื่องมาคิดเวลากินก็หาเรื่องมาคิดขณะที่กินอาหารทานอาหารเอาความคิดนอนคิดนี้มันก็กินความคิดกินอารมณ์กินเข้าไปได้อาหารที่กินลงไปทานลงไป อาหารดีๆมันก็ไม่หย่อยท้องผูกนะไม่ขับไม่ถ่ายแต่นี่นะ เ, าเรามาเถอะมาปฏิบัติธรรมมาฝึกขัดชีวิตจิตใจของเราเรามาทําประโยชน์ให้เราไม่พอประโยชน์ของเสียงอื่นก็ไม่ป ร, ป, รประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ต่อโลกประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาช่วยกัน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 เพิ่มความเพียรเข้าไปเพิ่มสติเข้าไปจากที่เราคนเดียวเพียงเอามือไปจับมือคนป่วยพูดออกไปสักคำบางทีคนป่วยอาจจะหายนะดูหน้าตาหมอดูหน้าตาพยาบาลโอ้คนป่วยหายแล้วนะพิยามารยาตเรียบร้อยหายแล้วหายแล้วคนป่วยมันเป็นบุญทำไมคนทุกข์หายทุกข์ทำไมคนป่วยหายป่วย มันเป็นบุญมันเป็นกุศลที่สุดเลยรักษาคนเป็นโครคภัยไครเจ็บให้หายจากโกครคภัยไข้เจ็บงานบุญไม่ใช่งานที่มันเป็นทุกข์เพิ่มคุนมาทำก็ไปได้บุญทุกวันทําความดีทุกวันได้ปัญญาทุกวันภูมิใจทุกวันนะได้ช่วยน่นได้ช่วยนี่ไม่เอาเปรียบใครแล้วก็มีชีวิตเป็น หลักของชีวิตเป็นงานที่มีชีวิตมาตรฐานไปอีกกันหนึง่งไม่เตรียมใจไม่ฝึกฝนตนเองจะเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่เราพบเห็นมืแต่เพื่อนร่วมงานอะไรต่างๆต่างคนต่างคู่รีคูเจอกบางทีเราทํางานหนักๆมันจะตะหวาดคนอื่นมันจะทุกข์การทํางานรร ม, มากๆมันอาจจะทุกข์อาจจะกิจใจอาจจะไม่ปกติจึงมีฝึกเอาไว้ฝึกเอาไว้ มันจะเข้มแข็งอ่อนแอรตรงไหนมันจะเข้มแข็งถ้าเราฝึกดีๆจุดอ่อนอยู่ตรงไหนมันจะเข้มแข็งแต่ลงตรงไหนมันจะลูกจะทุกตรงไหนมันจะลุกนะ่ะวิธีที่เราสร้างเนี่ยมันก็มันก็มีเท่านี้ไม่ต้องอธิบายเพียงแต่เรามือมาวางไว้บนเขา่าพลิกมือขึ้นรู้สึกตัวยกมือขึ้นรู้สึกตัววางมือลงรู้สึกตัวนะอา่าเวลาใดที่มันง่วงเงาฮอนอนก็ ทำความรู้สึกตัวหายลงไปลึกๆมองใบหน้าวางใบหน้าให้สดชื่นพอดสายตาในท้องฟ้าไม่มีขอบเขตมองโลกกว้างไกลอย่าครับแคบห่อเหี่ยวมองโลกมองงงตั้งหน้าบางใบหน้าตั้งกายยืดกายขึ้อนองค์อาดหน้าอกต้นคอใบหน้าเอว รูดถึกตัวรูปองคอาจมารูดถึงตัวเนี่ยฝึกผึกฝึกผลตนเองอ่าก็พวกเราก็ไม่ใช่บอกแต่ปากก็พากันทําพากันทํำให้อาจารย์ต้องเส้นอ่าพย์อรรเทพอาจานย์โต้งาจารย์นัดเพื่อนร่วมงานถึงปฏิบัติกันทำแน้าที่เน <anche S 2> ี่ยนะพ่อ <Specifically> พ่อก็เฮ้ยปฏิบัติมาคิดว่าจะไม่พาหลงทิศหลงทางแน่นอนที่สุด แน่นอนที่สุดการเจริญสตินะแน่นอนที่สุดผู้มีสติเอ้าไม่เป็นหนุ่มไม่เป็นสาวผู้มีสติไม่เป็นชาติชั้นวรรณะผู้มีสติไม่เป็นคนแก่ผู้มีสติไม่เป็นนักบวชฆราวาสยากลบเป็นอันเดียวกันหลวงรูสตัวไม่เป็นชาติไม่เป็นลัิที่นการผู้มีสติเป็นอันเดียวกันเลยเป็นอันเดียวกันเลยโดยไปสอน ก่อหลังเคยไปสอนต่างประเทศไปสอนก็เพิ่งกลับมาจากสิงคปโปร์เขาไปสอนสิงคปโปร์มีคนจีนมีคนแฉกผนยกมือรู้สึกตัวคนคคลจะเป็นลัที่อะไรก็ไม่เกี่ยวเมื่อไม่นานมานี้มีเอขอมาทอดพระปาผู้หลงขอให้หลวงพ่อไปเทศที่ผู้หลงมีคนหนึ่งเขาพอฟังเทศหลวงพ่อแล้วเขามาหาหลวงพ่อเพราะว่าผมเป็นห็นอิสลาม ผมเป็นอิสลามหลวงพ่อเขายกมือไหว้เอ้าหลวงพ่ อ, อ, อไม่รู้ว่าใครเป็นไรเราหลวงพ่อบอกว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหลวงพ่อมองชีวิตจริงๆหน่อยไม่ใช่ว่านั่นเป็นคิดนั่นเป็นพุทธนั่นเป็นอิสลามนั่นเป็นฮินดูหลวงพ่อมองอมเดียวกันคือความเมตตาตัวหนาความปรารถนาดีต่อกันไม่ใช่เหรนี่พุทธเราเป็นเพื่อนแล้วนี่คิดอิสลามไม่ใช่เอามายกมือไหว้หลวงพ่อผมเป็นอิสลามหลวงพ่อผมเป็นอิสลาม ครับผมฟังเทศหลวงพ่อแโอ้ดีดีนั่นความรู้สึกตัวนะไม่เป็นอะไรเป็นความรู้สึกตัวผู้ใดมีความรู้สึกตัวผู้นั응่นก็เป็นผู้มีความรู้สึกตัวอันเดียวกันความรู้สึกตัวอยู่กับพระสงฆ์ความรู้สึกตัวอยู่กับครวญญาโยามคนหนุม่มคนแก่อันเดียวกันนี่เรียกว่าความเป็นหนึ่งนะ